ท่านฟังที่เคารพคะท่านกำลังฟังรายการสันนิสนทนาโดยสันนิานาคงที่ทันสมัยกับยุคที่อากาศเปลี่ยนกัเขานิดหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรามีความมั่นใจมากที่จะทำรายการรับใช้ท่านทุกๆวันเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านได้ฟังจากรายการนี้เป็นสิ่งที่ท่านสมควรที่จะได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องและเราก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่จะทให้นะคะ รายการนี้มาถึงช่วงเวลาที่ท่านจะได้พบกับการนําเอาพุทธวจนะมาตอบคาถามเราเรียกช่วงนี้ว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะไปพบกับพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุลโนจากวัดป่าดอนไฮโซอุอดรธานีค่ะนวัต ก, การมกับท่านคะเป็นพรวันที่3เดือน1 2ใช่ไหมคะที่วัดที่ผ่านมาใช่มีการปฏิบัติอะไรนะคะท่านก็คือว่ามีผู้ที่ม า, ามาอยู่ที่วัด แล้วก็เลยได้มีการจัดเ็เรียกว่ามินิคอสคอสขนาดเล็กๆ ก, ก็มานั่งสมาธิเทศให้ฟังพาเดินจงกรมอะไรต่างๆที่วัดในช่วงช่วงนั้นพอดีก็เป็นแบบเขาดาวอีกแบบหนึง่งก็จริงๆที่วัดเราก็จะไม่มีนโยบายที่จะมาจัด <c oughs> คอสเล็กๆ ก, กะนะันนะเพียงแตว่าก็ถ้ามันมันมีคนมาแล้วก็ทำให้ได้ก็มีได้ท่านคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนท่านนะคะว่าบางทีคนเขาก็ อยากที่จะมาปฏิบัติธรรมอย่างเป็นคอสเป็นคอสสย่งีเยอะอย่างก็ดิฉันชวนใครพอพูดถึงเก้าวันของท่านเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบมีอุปสรรคกันทั้งนั้นเลยซึ่งอันนี้กราบเรียนท่านไว้นะคะก็ว่าทำไมคนเขาคนคนยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเก้าวันสิบวันหายากขนาดนั้นแต่พอเก้าวันไปอินเดียซีสังเวนี้เข้าไปกันได้นนั่นน่ะสินะ หรือว่าไปต่างประเทศไปเที่ยวชายทะเลที่มันจริงๆเลค่ะทีฉันกราบเรียนถามแท้จริงๆออืสมมุติว่าไม่มีเวลาไม่มีปัญญาที่จะไปคืออาจจะไม่มีสตางในกรณีเนี้ยอืแล้วก็หรือบางคนแบบอยากไปนะตังก็มีแต่กลัวเครื่องบินอืหรือบางคนเนี่ยเครื่องบินไม่กลัวกลัวแขกสมมตินะคะบางคนก็พูดอย่างนั้นจริงๆคือมันได้ยินได้ฟังอะไรไปเยอะก็เลยกลัวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเสียโอกาสไหมที่ ใช้9้าวันไปปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนหายโศกกับ9วันไปแดนพุทธภูมิเนี่ยคะ่ะมันก็จะต้องบอกให้ทราบความต่า ง, างก่อน ค, นะคือเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราพูดกันมาเสมอว่าคุณทําได้ทุกทีนะ่คุณฟังรายการวิทยุอยู่เนี่ยถ้าคุณมีสติในการฟังนะจิตอยู่ที่เราหายใจนะแล้วก็จิตไม่สั่นสายหมุนไปผิดนั่นคือคุณปฏิบัติแล้วนะสิ่งที่วัปดป่าดอนหายโศกเราเรานําเสนอเรายื่นให้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าการหลีกเล่น เข้าใจไหมการหลีกเล่นเพราะฉะนั้นหลีกเร้นคุณจะหลีกเล่นสักเท่าไหร่ดีล่ะโอก็แล้วแต่คุณแต่ที่นี่เราจัดให้9วันแล้วก็ถ้าเผิ่คุณจะมาวัน2วันคุณก็มาได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราก็แต่ว่ามันจะไม่ได้มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือคุณนะกินข้าวก็กินร่วมกับพระนะมีอะไรเหลือก็กินกันตามนั้นนะจะไม่มีคนมาทํากับข้าวให้กินลักษณะนี้นะแล้วก็ช่วงระหว่างวันก็จะไม่ได้มีใครมาเคี่ยวเขียนให้คุณมานั่งสมาธิไปเดินจงกรมนะแค่นั้นเอง แล้วก็วัดต่างๆในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอข้อมูลพวกนี้เหมือนกันนะคือว่าคุณม่เข้ามาอยู่วัดได้ฉันไม่ว่าอะไรนะจะมาหลีกเล่นอยู่คุณเดียวก็ก็ดีอย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นที่คุณยมติวพูดมาสกักครู<ะ>นะ่คือว่ า, อาถ้าเราจะใช้เวลาสัก9วันไปเปรียบเทียบกับเช่นาไปสังนเนวชิยสถานนะกับมาหลีกเล่นส่วนตัวเราจะทาอะไรดี<ะ>มันคนรับประโยชน์ไง อย่างสิ่งที่พระเจ้าให้ไปสังเวชเนียสถานนี่คือเพื่อไปให้เกิดความสังเวชอันนี้ตราสไปเลยใช่ไหมนะใช่คือหนึ่งคุณมีศรัทธานนะคุรุบุตรผู้มีศรัทธานเนี่ยเมื่อไปถึงสังเวชนียสถานแล้วเนี่ยจะปร่งสังเวชโอ้ยโปร่งสังเวชรัชธทําอะไรล่ะคุณจะรีบทําความดี อย่าง mm hmm. เราอาศัยช่วงปีใหม่เงี้ยโอ้ยแต่ละปีหนึ่งผ่านไปแล้วมาดูซิว่าปีที่แล้วฉันจะทําอะไรตั้งความหวังไว้นะว่าฉันจะทําอะไรใช่ไหมพอมาดูปลายปีโอ้โหทําไม่เสร็จสักอย่างนึงเลยปีนี้ลิสต์ที่ฉันต้องการทําให้เสร็จกับปีที่แล้ว mm hmm. เหมือนกันเป๊ะเลยไอย้ <c oughs> อยาเราต้องรีบทํำอะไรสักอย่างละคุณก็จะไม่ประมาทอ่ะจะตั้งความใจทําความดีนะ <c oughs> ทีนี้ไอ้ไอ้ทาความดีทํำยังไงงั้นคุณต้องมาหลีกเล่น mm hmm. คุณถึงจะสามารถทําได้เต็มที่อย่างเงี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> คืออันเนี้ยชัดเจนมากว่าคนละประโยชน์แล้วพระพุทธองค์ยังตรัสเอาไว้ยืนยันด้วยว่าไปเพื่อให้พบกับความสลดสังเวชแต่ถ้าใครไปแล้วไม่ได้ความสังเวชแปลว่าไม่มีประโยชน์เต็มที่ถูกไหมคะก็จะเสียลดหย่อนลงไป <ฮะ S 1> ท่านคะทีนี้ประเด็นที่ที่ท่านถามนี่ก็คือเหมือนกับบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะไปได้แต่มันมีปัญหาอย่างอื่นคือความกลัวต่างๆนานา น, า น, านะคะที่ทําให้ไม่ได้ไปแต่ว่าอยากได้บุญเท่ากันถ้าจะอยาก ให้เกิดความสังเวชนี่มันจำเป็นต้องเกิดเมื่อไคลในการปฏิบัติธรรมในลักษณะตามธรรมของพระพุทธองค์เนะะี่ยค่ะความที่พระพุทธเจ้าพูดถึงจริ ง, รงๆเพื่อคือต้องการให้ปล่อยวางทีนี้จะปล<ค>่อยวางได้คุณต้องเบื่อหน่ายทีนี้ความสังเวชจะทําให้เราเบื่อหน่ายใช่ทีนี้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นภายนอกนะสังเวชจะทําให้เราเกิดความเพียรก็ได้สังเวชจะทำให้เรา เ, าเกิดความเบื่อหน่ายก็ได้ที น, นี้ว่าที่พูดถึงในการหลีกเล่นนี่คือในจิตเราเลยในในจิตเราเลย <Okay. S 2> เิ่นมาเราสังเวทกับเรื่องของความที่จิตต้องไปยึดเกาะอารมณ์โอ้ยเบื่อเบื่อเราจะปล่อยวางได้ mm hmm. ในที่ mm hmm. ที่พูดถึงการไปอินเดียเป็นต้นอย่างเงี้ยนี่นนนก็คือว่าการจะใส่เหตุปัจจัยคือตาหูจมูกสิ่งภายนอกลิ้นกายห้ายอย่างเนี้ยทําให้เราเกิดความสังเวทอันนั้น <Okay. S 2> ก็จะเป็นเรียกว่าอุเบกขาหรือปีติสุขที่เป็นอมิตรอยู่ mm hmm. ในขณะ <Okay. S 2> ที่ถ้าเรานั่งสมาธิคนเดียวนั่นลเลนอยู่ไม่มีใครอยู่ด้วย นะความสงบที่เกิดจากตรงนี้ทําให้เราปล่อยวางได้เนี่ยเป็นปีติสุขเป็นอุเบกขานะที่เกิดจากในภายในเป็นนิรามิตค่ะทีนี้พอท่านพูดถึงหลีกเลนเนี่ยจะทําให้ปล่อยวางได้จริงๆ จ, จ, จะว่าไปก็เป็นการตอบคําถามว่าหลีกเล่นได้ประโยชน์อะไรทั้งหมดไหมคะก็ส่วนหนึ่งคือเพราว่าเป็นหลายขั้นตอนเหมือนกันนะน ะ, ะถ้าอาจารย์คะคือดิฉันเนี่ยเคยจําได้เคยฟังธรรมแล้วก็พระอาจารย์ ท่านหนึ่งนะคะก็ศึกษาพุทธวจนะเนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าอุ้ยถ้าอยากได้ทุกอย่างเนี่ยคือตามพุทธวจนะเดี๋ยวยังเรียมากลางตําราเพราะว่าบทเนี้ยขั้นไว้เลยว่าชอบชอบว่าอยากได้ทุกอย่างให้ทําอะไรทุกอย่างที่ว่าเนี่ยอยากได้อะไรนะคะอลาบปัจจัยลาบชื่อเสียงเกียรติยศใช่ความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างใช่ถ้าแม้กระทั่งอยากได้ ตาทิพย์อะไรเงี้ยก็ได้เรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็ยังได้แล้วมีว่าต้องให้หลีกเลนด้วยใช่ไม่เหินห่างจากสุญญากาศเพราะนั้นแสดงว่าท่านก็คงจะต้องบอกท่านผู้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าหลีกเลนไม่ใช่แค่ปล่อยวางนะหลีกเลนยังมีโอกาสทำให้เรามีเขาเรียกอะไรคะเป็นบุคคลพิเศษเหอค่ะได้ทุกอย่างเลยคือ อาตมาก็จะพยายามเน้นอยู่เสมอน ะ, ะแล้วคือตัวเราเองเนี่ยเราบอกให้เขาหลีกเล่นไม่คุยกันเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่ายงเพราะฉื่ออาตมาก็จะได้อันนี้สองเหล่านี้เนะช่นว่าความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องจริงของเราความแตกตางในเรื่องของธรรมะนมันก็ค่อยๆมากขึ้นไปเราก็ยังพูดถึงประเจ้าพูดถึงสุญญาราวัตใช่ไหมแปลว่าอะไรสุญญาราวัตเนี่ยคือข้อปฏิบัติของผู้อยู่เรือนว่างไม่เหินทางจากการหลีกเล้นแล้วก็อยู่เรือนว่างอยู่เรื่อยๆอะ ผู้อยู่เรือนว่างเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้อย่างน้อยคุณต้องรู้ทางเข้าทางออกของที่พักตัวเองมี <c oughs> ตลกมากเลยคุณยมติวมีผู้ลเล่นคนหนึ่งใช่ไหม<า>เขาเขาก็มาวันแรกนะมาวันแรกถึงปุ๊บเขาก็มานั่งปฏิบัติใช่ไหมแล้วตอน <c oughs> ที่กลับกที่พักเนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนไปแล้วนะแต่ตอน <c oughs> มาที่ศาลา ม, มันยังมีแสงสว่างอยู่ยังมีไฟอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเข้าออกที่ไหนหาเรืองหากุติตัวเองเนี่ยจนกระทั่งถึง4ี่ทุ่ม ทําให้ตัวเองเนี่ยต้องรู้ทางเข้าทางออกอันนี้เป็นข้อหนึ่งของผู้อยู่ป่าออที่ผู้เรียนพูดถึงอาารย์ยิกาวาดเนี่ยอรั์ญิกาวัดเนี่ยผู้อยู่ป่าเนี่ยต้องรู้จักทิศทางเข้าทางออกของที่พักตัวเองคุณก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะอ๋อเหรอคะถ้าปฏิบัติดีแล้วคะหมายถึงว่าการที่จะมาหลีกเลนเนี่ยถ้าหลกเลนเออพราะว่าจริงๆถ้าใครเคยไปเดินป่าที่เคยสมัยก่อนไปทางในการโทรทัศน์เดินแล้วหลงได้ค่ะใช่ใช่เพราะว่าป่ามันไม่มีประตูนะคะ มันมีประตูห้าประตูหกต้นมีต้นไม้เหมือนกันทั้งหมดเลยหันไปทางไหนก็ต้นไม้ต้นไม้ใบไม้สีเขียวท่านคะทีนี้ดิฉันขออนุญาตนิดหนึ่งได้ไหมคะที่จะอ่านพุทธวจนะอันนี้เพื่อที่จะทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดความรู้สึกพระพุทธเจ้าพูดวิจริงหรือเอาเลยที่ผู้ทําศีลให้สมปรารว่าภิกษุทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปฏิโมกสมบูรณ์สํารวมปฏิโมกสังวรสมบูรณ์ด้วยมัญญาและโคจรจงเป็นผู้ เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณน้อยแล้วก็บอกว่าหากจํานงว่าเราเพึงเป็นที่รักที่จำเริญใจที่เคารพที่ยกย่องของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายแล้วก็ให้ทําศีลบริบูรณ์ให้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในไม่หืนห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและวัดแห่งผู้อยู่สุญญาครวัดทั้งหลายเจริญ ง, ง้อ ง, งานเถิก็เท่ากับว่าฤกษ์เล่นของท่านนี่ จะทำให้เป็นที่รักที่เครารพที่ยกย่องของมิตรด้วยถูกไหมคะใช่ใช่แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังวิธีปฏิบัติอย่างเดียวกันเลยก็คือทำศีลให้บริบูรณ์ไม่เหืนห่างจากฌานทำวิปัสสนาแล้วก็อยู่ในศุนยาคราวัตเคลิกเลนเนี่ยก็บอกว่าเราเพึงเป็นผู้มีราบด้วยบริฐารคือจีวนมินบาศีนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศบริขารทั้งหลายคือได้ทุกอย่าง ที่เป็นเรื่องบริ โ, โภคใช่ไหมคะใช่เกี่ยวกับปัจจัยจสีทั้งหมดเลยถ้าพูดถึงกระบวนการที่นี้ก็คือเงินทองปกก ร, ประซับทั้งหมดและอีกอันหนึ่งก็บอกว่าญาติที่ตายไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเออ่ระลึกถึงเราระลึกถึงเราก็ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นบุญกับเขาอย่างมากเลยโอ้แล้วก็บอกว่าเราเนี่ยจะพึงอดทนได้ซึ่งความไม่ยินดีและความยินดีอันหนึ่งความไม่ยินดีอย่าเบียดเบียนเรา เราพึงครอบงามย่ามยํายีความไม่ยินดีแปลว่าอะไรคะถ้าปฏิบัติดังกล่าวเหมายความว่าก็จะจะปล่อยวางได้ทั้งความที่สองของชอบใจของไม่ชอบใจเราจะไม่มาเกี่ยวข้องกับจิตของเราคือเหมือนกับว่าอันเนี้ยถ้าฟังดูอาจจะคิดไปแต่ว่าเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติทีนี้ถ้าเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัตินะคะท่านมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันเจอเรื่องเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจช่วยได้ไหมคะ อ่าถูกต้องอันนี้คือหมายความว่าอย่างนั้นนั่นแหละอ๋อคือถ้าไม่เหินหายจากฌานมีศีลปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็หลีกเล้นเนี่ยนะคะใช่ทำให้งอกงามจะได้รับผลนี้ใช่เราจะไม่อ่าเขาเรียกว่าความไม่พอใจจะมาทำอะไรเราจิตเราไม่ได้ค่ะคนขี้กลัวก็แก้ได้ใช่ถูกต้องเลยต้องการเป็นโสดาบันก็ได้ได้นะคะอ่ต้องอะไรอีกล่ะแสดงิที่วิธีอ่ามีหูทิปตาทิได้หมด อ๋อค่ะรู้จิตคนอื่นใช่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองโอค่ะแต่ถ้าดูให้ดีนะคือศีลใช่ไ้ยส่วนแรกนะสมาธิคือไม่เหินทางจากฌานค่ะแล้วก็ส่วนปัญญาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสามารถปล่อยวางได้นะในทางที่เป็นคท่านคะคือฟังแล้วก็เหมือนกับว่า อาจจะฟังดูเหมือนง่ายอยากได้นี่ทํานั่นสิอยากได้นั่นทํานี่สิแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทํานั้นเป็นเรื่องที่เรื่องเดียวกับการที่จะแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคือนิพพานเลยใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องทางเดียวกันทางเดียวกันโอทางเดียวกั น, ก, นก็ทำนะคะให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้วัดแห่งผู้อยู่ ศูนย์ยาคานทั้งหลายงอกงานคือหลีกเร้นท่านคะทีนี้ระหว่างทางะคะ่ะบางคนหัวโหยก็ไปไกลถึงนิพพานเลยนิพพานมนุษย์เราก็ไม่อยากได้อะไรแล้วแต่ทีนี้เรายังไม่อยากนิพพานซะทีเดียวอยากได้ก่อนในระหว่างทางในบางเรื่องบ้างระหว่า ง, งทางจะมีไหมคะตรงนี้จะเป็นมุมที่อรมามองว่าเราจึงสามารถที่จะตั้งความปรารถนาได้ะ ใ, ในลักษณ ะ, ะการอธิษฐานคือที่พระเจ้าตรัสมาตรงนี้คือแค่โดยย่อไง ที่ว่าให้ตั้งอยู่ในศีลนะแล้วก็มีวิปัสนาญาอย่างเงี้ยนะอในสัญญาคารวะพวกนี้คืออย่างย่อถ้าโดยพิสดารโหนศีล ส, สมาธิปัญญาพิสดารขึ้นไปอีกนี่ไงอริยามรรคยองแปรพิสดารขึ้นไปอีกโนนนะพธิปัจจกยธรรม37รายละเอียดต่างๆเยอะแย ะ, ยะไปหมดนะนี่คือโดยพิสดารคือโดยละเอียดทีนี้ว่าไอ้ที่อ น, นิสงส์ที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยเอ๊ะแล้วมันจะยังไงอะฉันยังไม่อยากไปเป็นโสตบันใช่ไหมทำให้อัตมามองว่างี้คุณสามารถตั้งอธิษฐานได้ S <S คือที่พระเจ้าเคยพูดถึงสองประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมวัชนั้นเป็นความทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าปรารถนาแต่ถ้าเราจะทำเนี่ยทำไมพระพุทเจ้าถึงเคยอธิษฐานจิตอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นการเขาเรียกว่าเห ม, มือนกับชี้ช่องนะเอาเอาบุญของเราเนี่ยไปออกทางนี้เอาบุญของเราไปออกทางให้คนรักเอาไปบุญของเราเนี่ยออกทางให้เงินในกระเป๋ามากขึ้นบุญตรงนี้เกิดจากอะไรคุณต้องทําศีลสมาธิปัญญาเลคุณต้องสร้างเหตุให้ถูกคอ อ๋องั้นมันอาจจะเป็นไปได้ลองอธิษฐานดูแล้วปฏิบัติแบบนี้ในกรณีที่อยากได้ระหว่างทางไม่ได้อยากได้เรื่องปลายทางสักทีเดียว อ, อ, อธิษฐา น, นาอนธิษฐานในที่นี้ก็คือว่าเราต้องอธิษฐานสร้างเหตุอย่างเช่นว่าเราจะอยู่ในศีลสมาธิปัญญาตลอดเวลาเลย นะจนกว่าแล้วก็ขอให้บุญที่เกิดจากตรงนี้นะให้ชั้นเรียนเก่งให้ประสบความสําเร็จให้มีคนรักนะใหร้รวยรวยโดยฉั้นจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาตลอดเวลาค่ะสรุปแล้วก็คือว่านี่ไม่ได้บอกให้ท่านโลภแล้วก็อยากจะปฏิบัติคือความโลภมันเป็นกิเลสแล้วถูกไหมคะใชความอยากได้อยากมีอยากเป็นในบางลักษณะเนี่ยแต่ว่าบอกวิธีให้ว่าขอให้รู้ถึงว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเลิศขนาดไหน แล้วถ้าเราอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญานะสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่เกิดจากความตัณหาเน่ยอย่างน้อยก็จะอยู่ในกรอบของสิ่งที่ยังเป็นศีลธรร ม, มคุณไม่ได้่าสดไม่ลักทรัพย์นี่เนาะค่ะ อ, อยากอยู่กับคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เราอยากอยู่ในสังคมที่ไม่มีใครที่ชอบทำลายซึ่งกันและกันคิดแต่ประโยชน์ของคนอื่นเพื่อที่จะมีประโยชน์ของตัวเองด้วย ก็ต้องพยายามสร้างสังคมที่คนมีธรรมมากๆถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ตอนแรกดิฉันตั้งใจว่จะสนทนากับท่านจันทร์ไพบูนเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าเมื่อเอิญท่านพูดคําว่าหลีกเล่นขึ้นมา <c oughs> อันเนื่องมาจากการหลีกเล่นสามวันกับเก้าวันที่มาไกลามากอื <c oughs> แต่อะไรก็ตามได้ประโยชน์มากนะคะถ้ามีโอกาสท่านก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเก้าวัน ถ้าหาให้ได้เป็นการทําให้ตัวของเราเองซึ่งยึดมาโดยตลอดนะคะว่าแ้มาก็นีกันแม่ของฉันนี่กันมของฉันอะไรของฉันไปหมดจะได้ปรมาณประมาณประมาณได้คงจะรบกวนท่านทั้งนะี้เมื่อค้าวันนี้นะเดี๋ยวทนะ่านจะทิ้งท้ายในการนานา น, านิดนึงค่ะเดือไม่ได้กกรจริงจริงหรือไม่ได้อีกหนึ่งนาทีอ๋อหรอคะอค่ะนมัส ก, การขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์ ค่ะนั่นนั่นคือพระอาจาทย์ไผ่บุนอภิปุโนโจะติดต่อถามคําถามท่านไปก่อนก็ส่งไปที่เพียวธรรมะดอทคอมสน่ะคะส่วนที่จะส่งมาโดยรตรงพร้อมๆกับเป็นเบอร์ที่สามารถจะขอหนังสือพุทธวจนะที่ท่านอาจารย์เ ค, คสสรือกฤษฎีพิโลท่านเจ้าวาสวณาราพงศ์หลังลูกาคลองสิทธ์ <S S ทีท่มุ่งสอนพุทธวจนะ <ๆ S 1> เหมือนกันแจกให้ท่านสัตดาราสามเล่นเนี่ยอขอภัยค่ะวันละ3ามเล่นเนี่ยก็ส่งมากันได้0 2 2 6 9 0องสเราลากันไปพืนักกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กันนะะค ทวาสวัสดีค่ะ